มีอะไรหันหน้าว่าหากันปรึกษาปรารบกันแล้วก็ให้อภัยกันถ้าการจองเวียนกันไม่มีใครเก่งกว่ากันใช่ชาตินี้เราชนะเาขาฆ่าเ ข, า, ขาได้แต่ชาติต่อไปเขาก็ฆ่าเราฆ่ากันไปฆ่ากันมาไม่มีที่สิ้นสุด เ, เหมือนกับหมีกับไม้สะกอสท่านเปรียบเทียบหมีอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในป่ามันหากินอยู่ในป่าผ้พอจวนสวางมันก็นเลยเป็นหาที่นอนไปนอนอยู่ร่มไม้สกอสพอไปนอนอยู่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 ได้โอกาสเมื่อไรข่าจะจัดการกับหมีตัวนี้ฮะมันจองเวรกันแล้วนะทีนี้เนี่ยผลที่สุดก็เลยลูกข้าเทวรากรีผลของออกจกัดบ้านพักของตัวเองเขาก็เลื่อยไม้เป็โค่นลงมาแต่นี่พอเขาถากไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะกลับบ้านแนละ้วเป็นเนี่ยลูกข้าเทวรากับแปลงเป็นมนุษย์ม า, ท, า, ท, าท่านท่านเนี่ยท่านทําอะไรเนี่ยเขาบอกว่าทํางอนรถแหวรถเออท่านอยากจะให้มันงามไหม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 ถ้าผูกพยาบาทอาฆาตกันไม่มีที่สิ้นสุดนะอันนี้ก็คือการแนวทางของการดาเนินชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายแต่นี้ทางการดาเนินทางด้านจิตใจที่ท่านบุญโยมถามเมื่อกี้เนะี่ยพวกเราจะปฏิบัติยังไงทา ง, ทางด้านจิตใจพวกเราพงศหลวงพ่อเองก็ได้ฟังจากท่านผู้รู้ทางทางโลกมาท่านบอกว่า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 พระมารดาก็สวัสดิ์นกไปแล้วยังเหลือแต่พระเบียรพระบิดาต่อมาก็มาถึงเราเราก็จะต้องทิ้งสมบัติให้แก่ลูกของเราต่อไปลูกของเราจะทิ้งสมบัติให้แก่หลานของเรามันเป็นทอดๆอย่อางนี้แต่เราจะค้นคว้าศึกษาหน่อยทำไม่ทาจะราอย่างไรเราจึงจะไม่ตายเแต่นี้พระองค์ก็ถ้าเราอยู่ในเวียงวังอย่างนี้คงไม่มีโอกาสถึงคงจะไม่มี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 อย่างที่เราเห็นเห็นอันนี้คือความในใจของสิท ธ, ธัตถะจากนั้นพระองค์พอได้หนีออกจากเวียงวังกลางคืนเนี่ยจุดนี้ก็คนทั้งหลายเ้าก็บอกว่าจิตทัตถะเห็นแก่ตัวทั้งที่มีครอบมีครัวแล้วก็ห น, นีออกไปอยู่ตามลำพังตัดช่องน้อยไปหาความสุขแต่ตนเองฮะแต่ตามไม่จริงไม่ใช่นะเราคิดใหม่เพราะว่าสิท ธ, ธัตถะเหมือนกับ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 หายใจออกครั่วหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นไงอันนี้แหละกรรมฐานของพระพุทธเจ้านะถ้าพวกเราจะนั่งภาวนากันอย่างที่เนี่เอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเราจะนั่งอยู่ตามลําพังเราจะนั่งที่ไหนเรานั่งขัดเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นกําทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรั่วหายใจออก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 อันนี้ก็คือจุตูปะ่ปะปะาแตยานของพระพุทธเจ้านี่เพราะฉนั้นทน่นได้มาพูดถึง อ, อมาพูดถึงแนวแถวสายหลวงปู่มั่ น, นพอแม่กูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านให้ทําอย่างไรนี่อันนี้ก็เรานํามาประยุกต์ใช้นี่ อ, อพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนอย่างนั้นแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานคณะจัตตารยาจงทั้งหลายถ้าจะปฏิบัติตามศีลธรรมนั้น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 นึกพุทโธธ โ, โมสังโฆพุทโธธ โ, โมสังโฆพุทโธธ โ, โมสังโฆสามจบในเมื่อไหว้ครูเสร็จแล้วเอามือลงพอมือลงแล้วให้หายใจเข้าวริก ร, รมหายใจออกวริก ร, รมโธคือถ้าว่าเรากำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันไม่มันไม่อยู่มันพร้อมที่จะไดลอดออกไปได้ไง่ายๆเพราะนั้นเราจงบริก ร, รมให้สามท บ, บพุทโทด้วย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 แต่เรามีความพยายามมีความตั้งใจใจของเราจะรวมสงบลงเป็นเ่อ disgu. ต่อไปอีกเวดวอุปยาระสมาธิจิตจิตใจเราคิดเรื่องอะไรจิตใจของเราจะไม่ปุงไม่พุ่งไม่สานเราคิดเรื่องอะไรเรารู้ว่าเราคิดเรื่องอะไรขณะนี้เดี๋ยวนี้อันนี้อุปยาระสมาธิจากนั้นจิตของเราเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นดูให้ดีองไปจิตจะรวมสงบลงเป็นหนึ่ง iana. จิตเป็นอนไดสติเป็นันนั้น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 เนตัวนึกคิดหรือว่าสมองก็ใช่แต่หลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องสมองเรื่องของใจเรื่องตัวผู้หูนะ้มากกว่าเพราะท่านท่านตัดว่ามโนปุกพังขมาธรมมามโนเสธามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจในหลักของพุทธศาสนานะให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของร่างกายเนเรื่องตัวนามธรรม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 S <S. <S hey. อย่างที่หลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอันในสงแห่งการ ฟ, างฟังธรรมผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดข้อจะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้คณะฟังจิตของผู้ฟังจะได้รับความป่องใส hey. จังหว่ดสุดตามมยัปัญญา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 ไม่มีใครยังว่าอัตติอัตโนนาโถโกหิณาโถปรโรสิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากเราอัตติตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุญญาีิประโลกัจมิงปฏิฐาโหนติปานินังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าสรุปแล้วคือตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกถ้าเรานั่งสมาธิใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้ว